เดชนเอนเตอร์เทนเมนต์ูมใจเสนอเรื่องราวแห่งความรักการเสียสละและการให้อภัยแม่เสรียงที่รัก อ้ามูซอจ้ะฉันเองจ้าปีนี้มาร่วมงานด้วยเหรอไม่เคยเห็นมูซอมาร่วมงานเลยนี่ก็ฉันเป็นลูกของพระเจ้าแล้วนี่จ้าก็อยากจะมีเพื่อนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆด้วยนะจ้ะสนุกไหมล่ะก็งั้นๆแหละมูซออาจจะยังไม่คุ้นเคยก็ได้แต่เชื่อว่าปีเนี้ยมูซอจะต้องสนุกแล้วก็ชอบมันมากขึ้นก็ได้รู้ไหมสีลารู้อะไรเหรอที่ฉันทําดีได้ขนาดเนี้ยเพราะใครไม่รู้หรอก เพราะเธอคนเดียวยังไงล่ะจริงเหรอจริงสิฉันเห็นศีลามีความสุขกับหนุ่มบางกาะคนนั้นฉันก็เลยเ อ, อ่อมูซอทำไมเหรอก็เลยหมดอารมณ์เที่ยวเลยทำไมล่ะก็เพราะฉันมีความรู้สึกว่าฉันโดนหัก อ, อกดังเปาะเลยสิศีลามูซอพูดอะไรอย่ามูซอรจริงๆนะศีลาหัวใจฉันน่ะสลายไปแล้วรู้ไหมอย่าคิดอย่างนี้สิฉันพยายามหักห้าหัวใจตัวเองแล้วนะศีลา แต่ก็ห้ามไม่ได้สักทีแต่งงานกับฉันนะสีลามูซารวบจะไปก่อนทำไ ม, ไมหยนะิบหิ้งนะมูซายอย่ายงี้นะีนะนะสีลาแต่งงานกับฉันนะฉันสัญญา ว, ว่าฉันจะรักเธอคนเดียวจะทํามาหากินเหมือนคนอื่นนะนะสีลาเฮ้ยมูซา ฉันรักเธอนะสีลา น, นี่ไงสีลาเธอตกหน้าฉันเหรอเนี่ยตกสั่งสอนคนที่ใส่ไมไดยังไงล่ะโธ่สีลาที่ฉันทำลงไปเพราะรักเธอจริงๆนะฉันจะไปขอเธอแต่งงานไม่ได้ทำไมอะ่ะทำไมถึงไม่ได้บอกฉันมาทีสิฉันมีอะไรได้กว่าไอ้หนุ่มบางกอะคนนั้นล่ะหมอหนั่ น, นั่นมันมีอะไรดีเธอถึงได้ยอมให้มันกอด ที่ฉันกอดเธอเธอกัดผักใส่ฉันน่ะเพราะฉันไม่ได้รักนายนะสิสีลาได้ยินแล้วใช่ไหมฉันไม่ได้รักนายได้มาทําแบบนี้กับฉันอีกนะทําไมล่ะสีลาฉันมีอะไรสู้หมอนั่นไม่ได้มั่งฉันมีสวนเป็นของตัวเองอยากได้เงินเหรอจะเอาเท่าไหร่ฉันประเคนมาวางตรงหน้าตักเธอได้ทันทีนะฉันไม่ต้องการเงินทองของนายทําไมอ่ะ เพราะฉันไม่ได้รักนายที่เงินทองไงสิแล้วเธอรักอะไรกันแน่รักที่หัวใจคนต่างหากมอนั่นมีหัวใจดีกว่าฉันตรงไหนต้องถามหรอกตอบฉันสิสีลาไอ้ตอบสิเจ็บนะบีบแขนฉันต้องใบขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจมูซ้อขอร้องแล้วนะที่ไม่ได้รักนายอ่ะไม่ว่านายจะพยายามยังไงมันก็ไม่ได้ผลหรอกเธอรักหมอนั่นอย่างนั้นเหรออย่าได้คุณเทพเขาอย่างนั้นนะให้เกียรติกันบ้างสิรักมันเหลือเกิน มันจงหัวปักหัวปำ ม, มันเรื่องของฉันนะหมูซอระวังเหอะศีลาระวังอะไรระวังเธอจะโดนไอ้หนุ่มบางกอกมาหลอกกินฟรีแล้วก็ทิ้งเธอกลับบางกอกแล้วเธอก็ ต, ต้องท้องโดยหาพ่อไม่ได้เอ้ยเธอตกปากฉันทำไมศีลาตกปากคุณปากเสียนะสิอย่ามาว่าคุณเทพก็อย่างนั้นนะนายไม่รู้จักเขาดีเพราะฉะนั้นนายไม่มีสิทธิ์ไปว่าเขาแบบนั้นเข้าใจมะแต่ว่าฉันหลีไป จะไปหาคุณเทพแต่ว่าเอฉันบอกให้หลีไปไงไม่ได้ยินเหรอบูซอ้อโถยก็ได้ก็ได้ไดลีก็ได้แต่อยากจะเตือนเธอนะสีลาอย่าไว้ใจหนุ่มบางกอกนักนะเธอยังไม่รู้จักมันดีพอได้ยินไหมสีลาขอบใจที่เตือนเรื่องเนี้ยฉันตัดสินใจด้วยตัวเองได้ขอตัวโถสีลาทําไมจะต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะโว้ยทาไม เ ย, เยเราเองอะหลงผิดคิดว่าอีนางแพทย์สยาเป็นนางฟ้านะสิบูกเกเองว่าใครก็สีลาไงล่ะมันน่ะเป็นแพทย์สยาหวานเสน่ห์ให้ผู้ชายหลงรักมันจนหัวปักหัวปำแล้วก็เขียยทิ้งไปถอนคำพูดเดี๋ยวนี้นะบูกเกะมูซอเองเป็นอะไรไปอะข้าบอกให้เองถอนคาพูดเดี๋ยวนี้ไม่ ถอนคำพูดไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ถอนคำพูดมี อ, อ, อะไรไหมเฮ้บ้าเฮ้เนี่ยบุแก่นี่นีเอ็งกล้าตบหน้าข้าเหรอะเออถ<ะ>้าจะตกให้เอ็งหูตาสว่างสะทียังไงล่ะโง่เป็นควายอยู่ได้จะตกให้เลิกบ้าเลย โอ๊ยจงโวยบูกย่อโมโหค้าใช่ไหมหมานี่เลยหมานี่หมานี่อหมานี่อดมหมาน้ขาี่ไอ้มือซ้อไอ้ไอ้ไอ้มอ้อ้ไอ้ไอนไอไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้องไอ้ไอ้ไอ้ไอ้อไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้อ้ออออ้ไอ้อไอ้อออไอไ้อออ เกลียดเองเข้ากระดูกดำเลยเฮยไอ้บ ah ูซะไอ้คนบ้าจู่แล้วก็เดินหนีไปเฉยเลยไอ้คนใจดำอ้ ฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment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 ฉันเสียน้ำตาไปเท่าไรเกือบจะทอจนกลัวจะลองคบใครโทษฝ้าโทษโชคเชื่อตาโหดร้ายมองตัวเองไม่มีค่าใดที่ยังหายใจอยู่คงเพราะรอวันนี้รอคนดีพร้อมันใจวาดไวแต่สุดท้ายก็พบเธอเจอคนที่เป็นคร ชีวิตที่ขาได้เจอแล้วไม่อาจจะเปลี่ยนใจเหมือนได้รับวามขวัมจากฟ้าส่งเธอลองมาให้หัวใจได้ี ในสุดท้ายก็พบเธอเจอคนที่เป็นครั่งหนึ่งของชีวิตที่ขาได้เจอแล้วไม่อาจจะเปลี่ยนใจเหมือนได้รับวามขวัญจากฟ้าส่งเธอลองมาให้หัวใจ o uh t h e h So บางคราวเธอคงอไปความาตามใครไม่ใช่เธอจมองความเป็นเธอที่ซ่อนไวมันทำให้เธิ่งสวยงามันทันย l o n g n g that you a r t วยงามที่ทสหรับฉันมันคือความอัศจรรย์เหือ Oh หรับฉันมันคือความอัศจรรย์ที่พบเอ เธอมีหัวใจเหมือนฉันสักหน่อยเธอคงไม่ปล่อยให้ฉันต้องคอยอย่างนี้เธอคงมองซึ้งถึงใบตร้เธอคงมองซึ้งถึงความหวังดีที่มีหรือไบ่ เธอมองไม่ซึงถึงสตาเธอมองไม่ึงถึงความบูชาานศรัทธาเพียงใดน้ำหยดลงิทุกวันิมันกอแต่หัวใจอ่อนอ่อคงเธอท ฉันไม่สะทกสะานสะเทือนเหมือนหัวใจฉันไม่หวนไหวว่าใครเขารักเขา For a l h ever had l o h o v e u รับฟังรายการละครวิทยุแม่โซเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment เฮ้ยฮาเฮ้ยอารมณ์เสียมอีกแล้วพ่อพ่อมา<พ>อได้ไงเนี่ยก็มาหาเองเหรอเออมีอะไรหรือเปล่าแล้วโกรธใครมาช่างเถอะไม่มีอะไรหรอกพ่ อ, พอแต่ยังเห็นข้าเป็นพ่ออยู่นะบอกมาเลยผมอยากแต่งงานน้วพ่อเก้าสิเฮ้ยไม่มีใครห้าไปดิวะ อยากได้ใครก็ไปขอเลยเอก็โตแล้วไม่ใช่เด็กอมมือสัก็หน่อยนี่หรอมันไม่ใช่อย่างที่พ่อพูดนะสิหมายความว่าอย่างไงวะเ้าไม่ยอมแต่งด้วยแล้วใครก็ก็บอกมาสิใครไม่ยอมแต่งงานก็ลูกชายของข้าท่านี่สมบัติของข้าก็มีออกมากม้ไก่กอมหาศารแบบนี่ฮะคนเขาคงจะรู้มั้งว่าสมบัติของพ่อเป็นของโจรอีกปากเสียเฮ้ยนี่เอจะพูดอย่างีกแล้วเข้าไปอย่าได้ยินบวยก็หรือไม่จริงแตจริงหรือไม่มันไม่สำคัญหรอก สำคัญเองมีเงินมากอยากจะเนรมิตอะไรก็ยอมได้ต่างหากแล้วแต่ผมไม่เห็นว่าเงินทองที่พ่อหามาให้ผมนั่นน่ะมันจะสามารถเนรมิตได้เองบอกสิผู้หญิงคนนั้นมันเป็นใครลูกสาวพ่อเท่าครับว่าไงนะตะเกีเองพูดว่าไงนะพ่อตกใจมากใช่ไหมเอออีัังสีรอนั่นเหรอใช่แล้วเองรักไหมลูกใช่ผมรักเธอจริงๆิงานพรุ่งนี้ เอง็งขอบเงินไปขอมันได้เลยนะข อ, อยังไงแล้วพ่อก็เธอไม่ยอมแต่งงานกับผมนี่นะพ่อบอกแล้วกาไอ้เอ็งขอบเงินไปก็ไม่ตรงหน้ามันไม่มีไอ้พี่อีหน้าไหนาหรที่เห็นเงินแล้วตามันไม่ต่อมันไม่มีหรอกเว้ยแต่พ่อเท่าเขาไม่ใช่คนโลภนะพ่อเอ็งเชื่อข้าสิศิาลาคนารักคนอื่นใครวะไอ้หนุมังกรกนะพ่ อ, อว้าวฮู้มันจะมังกรกเลยครับ หมอลมันคงจะรวยมากสินะผมไม่รู้รู้แต่ว่าหน้าตามันดีมากสาวไหนเห็นมันก็ต้องเหลียวหลังมองจนลับตาโอ้ขนาดนั่นเลยครับพ่อเอาเลยไอ้บุศอเอาอะไรพ่อฉุดสวยพ่อ คิดได้ยังไงเนี่ยเอาเฮ้ยมันก็มีอยู่ทางเดียวนั้นที่เองจะได้อีนางศรีลานมาทําเมียอย่างนั้นวะเดี๋ยวข้าจะได้ไปช่วยฉุดอีกแรงหนึน่งไม่นะพ่อไม่ไม่แล้วเองจะได้มันไปเป็นเมียได้ยังไงอะช่างเหรอพ่อเรื่องของผมเดี๋ยวผมหาทางจัด ก, การเอง <c oughs> อะไรของเองวะเนี่ยฮะไอ้บุษชอเองมันจริงๆเหรอวย เอ็งน่าจะเป็นนักเลงเหมือนข้าเแท้ทำตัวเสื่องเหมือนกับแมวนอนขวดมันจะมีประโยชน์อะไรแล้วเอ็งเป็นลูกข้ายังไงเอ็งก็มีเชื้อไปทิงแถวหรอกเว้ยหรือเอ็งจะเถียงว่าเอ็งสายซื่อจริงๆเอ็งไม่ได้เจ้าเล่เฮ้ยเถอะลูกประธานอย่างข้าสิไปดีกว่าะไรลูกของพ่อฮะ